การนั่งสมาธิก็เริ่มแรกแล้วก็หลับตานิดหน่อยการหลับตาในตอนเริ่มแรกนี้ไม่ใช่เพื่อจะได้ความสงบแต่การปิดอายตนะทางสายตาลงไปเพื่อลดความฟุ้งซ่านในการที่เราส่งออกไปทางตา เราหลับตาสักหน่อยเราจะรู้สึกถึงความฟุ้งซ่านที่มันสงบระงับลงเมื่อความฟุ้งซ่านมันลดลงความสงบก็บังเกิดขึ้นเองไม่ใช่เราไปทำให้มันสงบ ความสงบแบบนั้นนีเราสังเกตเมื่อคี้นี้ที่ผมเงียบไปเป็นความเป็นปกติเป็นความสงบที่เราไม่ได้สร้างขึ้นมาเป็นความสงบที่เกิดขึ้นจากการที่เราได้อยู่กับตัวเองอยู่กับกาย อยู่กับความรู้สึกตัวการอยู่กับความรู้สึกตัวไม่ได้เพ่งรู้สึกสบายๆเป็นความรู้สึกของการแค่เราไม่ลืมเนื้อลืมตัวไป อันนี้เป็นความสงบตามวิถีธรรมชาติที่เราทุกคนมีอยู่แล้วโดยไม่ต้องทำอะไรเลยการปฏิบัติธรรมทุกคนฟังคลิปที่ผมพูดอ่านหนังสือมาเยอะมากแล้วเป็นเรื่องที่ทุกคน เข้าใจแล้วว่าหัวใจหลักของการปฏิบัติธรรมคือรู้เนื้อรู้ตัวพ้นอากจากโลกของความคิดปรุงแต่งไม่ตามเข้าไปในความคิดไม่ให้ความคิดมันหลอกเราแล้วก็รู้จักสภาพจิตใจที่มันเป็นปกติซึ่งเป็นสภาพที่อยู่กับเราเสมออยู่กับเราตลอดเวลา สภาพเดิมแท้สภาพไรกิเลสสภาพไรราคะไรโทสะไรโมหะสภาพบริสุทธิ์เราทำแค่นั้นแหละ ความเป็นพูดทา้าความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี้มันเนบ่งบานออกมาเองมันทำงานของมันเองเป็นธรรมชาติการปฏิบัติธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นแค่การกลับบ้านกลับมาอยู่ให้ถูกบ้าน พอเรากลับถูกบ้านจิตใจเป็นปกติมันก็พ้นทุกเลยอย่าไปคิดเรื่องการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องลี้ลับลึกลับซับซ้อนต้องทำนี่ทำนู่นต้องมีอย่างนี้ต้องมีอย่างนั้งงนก่อนถึงจะปฏิบัติได้ ครั้งหนึ่งหลวงพ่อสมโนเล่าให้ฟังบอกมีคนมาหาหลวงพ่อบอกว่าโอ้มาท้ำหลวงพ่อสถานที่น่าอยู่มากเลยลมเย็นสบายไม่ต้องวุ่นวายทางโลกอยากมาอยู่อย่างนี้บ้างจังหลวงพ่อบอกมาเลยมาบวชเขาบอกโอ้ยังไม่ได้ครับผมยังกิเลสเยอะ หลวงพ่อบอกว่าถ้าไม่มีกิเลสแล้ว living, ไม่ต <c oughs> ้องมาบวชการบวชเพราะเรามีกิเลสนั่นแหละเราถึงต้องบวชเพราะเรามีกิเลสเยอะนั่นแหละเราถึงต้องปฏิบัติธรรมถ้าเราหมดกิเลสแล้วก็ไม่ต้องบวชไม่ต้องปฏิบัติธรรมเพราะเป็นพระอรหันแล้ว แต่คนในโลกมักเข้าใจผิดแบบนี้คิดว่าตัวเองยังทำไม่ได้คิดว่าตัวเองกิเลสยังเยอะคิดว่าตัวเองมีภาระเยอะศา ส, สนาพุทธเป็นศาสนาที่ไม่จำนนต่อกํมไม่ยอมจำนนต่อกํมหมายความว่า เรายอมรับกรรมที่เราทำแต่เราไม่ยอมจำนวนต่อมันตลอดชีวิตเราจะพ้นกรรมไปให้ได้พระพุทธเจ้าสอนเราที่จะต้องทำยังไงมีวิธีปฏิบัติยังไงใช้ชีวิตยังไงสิ่งแวดล้อมแบบไหนที่เหมาะสม ที่จะขัดเกลาพัฒนาเราไปจนวันหนึ่งเนี่ยจิตใจเนี่ยอยู่เหนือกรรมเหนือโลกเหนือสุขเหนือทุกข์เหนือดีเหนือชั่วรวมเข้ากับความจริงรวมเข้ากับธรรมะเป็นธรรมชาติแห่งการล้อมรวมล้อมรวมตัวเองเข้าไปในธรรมะ เมื่อไหร่ตัวตนเราหายไปในแต่ละขณะเรากำลัลงหลอมรวมเข้าไปในกระแสของธรรมชาติเดิมแท้กระแสของความว่างกระแสของภาษาบาลีเรียกมหาสุญญาตาทะเลของความว่างเมื่อไหร่ที่จิตใจเราปกติอัตตาตัวตนหายไป เราก็ลังค่อยๆถูกกลืนกินเข้าไปเราก็ค่อยๆถูกธรรมชาติเดิมแท้นี่กลืนกินเราเข้าไปมันคือการ transform รเปลี่ยนผ่านเรามีชีวิตยาวนานเพียงพอที่จะถูกมันกลืนกินไหมถ้าเราโมเออร์เหเย ลอยชยัยรอแก่ๆก่อนค่อยปฏิบัติธรรมชีวิตเราอาจจะไม่พอที่ผมเคยบอกขาดอีกวันเดียวเราอาจจะเป็นโสดาบันได้ดันตายซะก่อนนียุ่งเลยพระพุทธเจ้าจึงสอนเราเรื่องความไม่ประมาท พันธะทั้งหลายในชีวิตของเราความเป็นคนดีความรักตัวเองความกลัวถูกสังคมประนามว่ามาทำอะไรปฏิบัติธรรมบ้าหรือเปล่า อดทนเสียสละอันนี้เป็นคุณสมบัติสำคัญของนักปฏิบัติธรรมที่จะบรรลุธรรมอดทนกับเสียสละเป็นเรื่องที่อยู่ด้วยกันเสมอ เป็นเหมือนเหรียญสองด้านแต่มันมาด้วยกันเสมอผมไปหาหลวงพ่อเมื่อก่อนหลวงพ่อชอบพูดกับผมบอกว่าอยากจะพูดกับคนที่มาหาหลวงพ่อว่ามาที่นี่พร้อมที่จะตายไหมเมื่อก่อนผมฟังไม่เข้าใจ คืออะไรวะพร้อมที่จะตายไหมนึกว่าต้องไปทนทุกทรมานเยอะๆเลยพร้อมที่จะตายไหมมาวันนี้ผมเข้าใจแล้วพร้อมที่จะตายไหมคือหมายคำว่าเราพร้อมที่จะเสียสละอะไรก็ตามที่เราติดอยู่ไหมเราพร้อมจะเสียสละโลกได้ไหม เราพร้อมจะเสียสละความเชื่อของตัวเองได้ไหมพร้อมจะเสียสละทิฐิมานะของตัวเองได้ไหมพร้อมจะเสียสละความกลัวได้ไหมความเสียสละแบบนั้นเป็นบารมีอันยิ่งใหญ่ มนเคยมีเรื่องเล่าพ่อแม่เป็นนายพลานลา่าสัตว์มีลูกมีลูกคนเดียวอยากให้ลูกคนนั้นสืบทอดกิจการกให้เป็นนายพลานเหมือนกันแต่ลูกคนนี้ก็เป็นคนมีศีลมีธรรมฆ่าสัตว์ไม่ได้ทาใจไม่ได้ สุดท้ายลูกโตขึ้นมาพ่อแม่ก็เริ่มบีบบังคับว่าแกต้องเป็นนายพานให้ได้ลูกตัดสินใจหนีออกจากบ้านเลยไปบวชพ่อแม่ตามไม่เจอไม่รู้ไปบวชที่ไหนก็โกรธมากลูกทำแบบนั้น จนวันหนึ่งก็พ่อแม่ก็ตายตายปุ๊บไปไหนลงนรกทันทีไม่ไม่ต้องคิดมากดมาบาลก็จับพ่อแม่นี้โยนลงกระทะทองแดงโยนไปปุ๊บมีดอกบัวมารับโยนไปปุ๊บมีดอกบัวมารับยมาบาลถามตอนโยนลงไปคิดอะไร ถามแม่แม่บอกคิดถึงลูกโรงพาบาลแลวไปเช็คลูกทำอะไรวะแล้วกดไปดูโอ้อลูกเป็นนักบวชอยู่ในาศาสนาพุทธส่งพ่อแม่ขึ้นสวรรค์ไปเลยบอกไปไปรับบุญก่อน เมื่อก่อนผมอ่านเรื่องนี้แล้วก็ผมก็ไม่แน่ใจนี้พวกเราอาจจะคิดว่าบุญใครทำใครได้แต่วันนี้ผมเข้าใจอย่างหนึง่งไม่ว่าพ่อแม่จะกโกรธเราขนาดไหนแต่ถ้าวันหนึ่งเขาอุเบกขาเข้าใจ ปล่อยวางบุญนั้นได้เกิดขึ้นทันทีเป็นบุญของอะไรไม่ใช่เพราะว่าลูกไปบวชหรืออาจจะเป็นเพราะลูกไปบวชแต่ตามความเข้าใจผมคือว่าบุญนั้นเกิดจากพ่อแม่ ต่อยวางได้แล้วนั่นคือได้เสียสละลูกการที่เรายอมเสียสละอะไรได้นั่นแหละคือบุญนั่นแหละคือบารมีเราเสียสละสิ่งที่เรารักที่สุดได้อันนี้เป็นบุญ เป็นบารมีของตัวเราเองไม่ใช่ว่าลูกทำให้ตัวเองทำให้ตัวเองพระพุทธเจ้าสอนเราคุณสมบัติง่ายๆของชาวพุทธ ที่เราฟังกันมาตลอดทานศีลภาวนาไปคิดกันให้ดีเราบริจาคทานได้เนี่ยเราต้องเสียสละเสียสละอะไรเสียสละปัจจัยเราเสียสละแรงกายเราเสียสละเวลาเรามันคือการเสียสละ ศีลการถือศีลคือการอะไรคือการที่เราไม่ยอมจะทําตามกิเลสอ่ะเสียสละความอยากของตัวเองอย่าพูดมากไม่พูดเงี้ยอย่าพูดเพ้อเจ้อไม่พูดอย่าเงี้ยอยากด่าคนอื่นไม่ได่าเงี้ยเราเสียสละความอยากภาวนา เสียสละอะไรเสียสละความคิดปรุงแต่งนี้ออกไปอยู่กับความรู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวเพราะฉะนั้นในยะของความเสียสละจึงเป็นคุณสมบัติอันยิ่งใหญ่ที่เราทุกคนนักปฏิบัติจะต้องรู้ว่ามันสำคัญมาก มันอยู่ในทุกอนูของคำสอนของพระพุทธเจ้ามีเรื่องเล่าของพระเวสสันดรที่ยกลูกยกเมียให้กับชูชกอะไรพวกนี้เนี่ยเราเนี่ยเราไม่ต้องไปคิดว่าเราต้องทำขนาดนั้นแต่ในยะของมันก็คืออะไรคือความเสียสลายในยะสำคัญของการ ที่เล่าเรื่องมาแบบนั้นก็คือจะบอกว่าการเสียสละของพระเวสสันดรเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้วันหนึ่งเป็นพระพุทธเจ้าเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมที่พวกเราทุกคนได้ดำเนินมาปฏิบัติกันมาด้วยกันเนี่ยเป็นปีเนี่ย ถ้าใครอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมๆแล้วก็บอกว่าปฏิบัติแล้วก็มันก็ประมาณนี้แหละมันคล้ายๆดูไม่ค่อยจเจริญไงไม่รู้ก็ให้รู้ไว้ว่าเราอาจจะต้องเสียสละอะไรบางอย่างเพิ่มสมมุติผลของการปฏิบัติธรรมนี่มันเหมือนกับ เราสะสมน้ำไว้ในตุ่มเรามีตุ่มเดียวเนี่ยเหมือนเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมของเราเน่ยหยดในน้ำในตุ่มหยดจนเต็มแล้วอพอมันไม่มีตุ่มไปที่สองเนี่ยน้ำมันล้นออกเนี่ยล้นทิ้งไปปฏิบัติอยู่ไหมปฏิบัติอยู่ปฏิบัติถูกไหมปฏิบัติถูก แต่ทำไมทำไมมันไม่เป็นพระโสดาบันสัทีเพราะมันขาดมันขาดต่มใบที่สองที่จะมาลองน้ำเพื่อจะเอาไว้ใช้ให้ได้มากกว่านี้ภาษาธรรมมากขาดบารามีนั่นแหละเพราปัน ทุกคนต้องสังเกตตัวเองถ้าเราปฏิบัติแล้วทำในสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่แล้วทำเต็มที่อย่างนี้แล้วมันก็ไม่มีความก้าวหน้ามากกว่านี้แล้วติดต่อครูบาอาจารย์ด่วนรับรองได้เสียสละแน่นอน ะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนเข้าใจพิจารณาตัวเองเสียสละทำสิ่งที่ยากถ้าเราทำได้จะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ผมพูดเนี่ยคนไม่เคยเจอเนี่ยคิดไม่ถึงหรอกว่ามันเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ขนาดไหนพยายามคิดให้ถึงแล้วกันว่ามันยิ่งใหญ่มาก มันทำให้คนคนหนึ่งเปลี่ยนจากปุตุชนเป็นอริยะชนได้ด้วยพลังแห่งความเสียสละสิ่งที่ยากได้มันทำให้คนคนหนึ่งที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่จบไม่สิ้นหมดสิ้นการเวียนว่ายตายเกิดได้ มันทำให้คนคนหนึ่งจากมีประโยชน์แค่กับคนในครอบครัวกับเพื่อนรอบข้างเป็นมีประโยชน์กับคนทั้งโลกนี้เพราะฉะนั้นไปให้มันไกลกว่าความกลัวความเชื่อทิฏฐิ ความคิดความดีที่เราชอบทึกทักเอาเองทำแบบนี้ได้ทำแบบนี้ไม่ได้ทำแบบนี้ไปเขาว่าเราตายเลย่ข้ามผ่านมันไปให้ได้อย่าติดอยู่กับเรื่องไร้สาระแบบหนึง่ง พวกเราเสียสละเวลาต้องเสียสละเวลาเหมือนกันมาที่นี้การเสียสละมันอยู่กับเราตลอดตั้งแต่เรื่องเล็กไปจนเรื่องใหญ่แต่ถ้าเราอยากจะเสียสละเสียสละให้มันถูกเสียสละไปในทางที่ถูกที่ควร เสียสละไปในทางที่จะได้ผลอันยิ่งใหญ่ไม่ใช่ได้ผลซ้ำไปซ้ำมาแบบเดิมๆในโลกที่เราเคยอยู่ถ้าเสียสละแบบนั้นเสียสละพอแล้วเพียงพอแล้วกับชีวิตที่เกิดมา กเรามาที่นี่ผมอยากให้รู้ว่าเราไม่ได้มาแค่ฟังธรรมเรามาที่นี่เพื่อจะถูกเขียเข้ยวกลัมเขี้ยวเข็นให้มุ่งมั่นที่จะพ้นโลกนี้ไปให้ได้ ไม่ใช่เป็นการฟังธรรมเพื่อหาความสุขทางจิตใจไม่ใช่มาฟังธรรมเพื่อจะได้บุญความพ้นโลก ผนจากการเกิดเป็นเป้าหมายเดียวของการเกิดมาของพวกเราทุกคนโรงเรียนไม่ได้สอนแบบนี้คนมันเลยไม่ค่อยรู้กันรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาไม่ได้เป็นพาลอาหารเลยไม่รู้ว่ามันสำคัญ เวลาผมหยุดพูดงนี้สังเกตเข้าไปข้างในตัวเองจิตใจปกติไหมเงียบเชียบไหมรู้จักสภาพแบบนั้นไว้ วันนี้เราก็มีคนที่จะบวชแม่ชีปีหน้าสามรูปเป็นความเสียสละอันยิ่งใหญ่เหมือนกันต้องเสียสละโลก เสียสละครอบครัวเสียสละพ่อแม่เสียสละเพื่อนสังคมเสียสละความสุขทางโลกที่เราชอบแต่เราจำเป็นต้องเสียสละ ไม่งั้นเราไปไม่ถึงความพ้นทุกข์ในฐานะลูกเราอยากทดแทนบุญคุณพ่อแม่ทําแบบนี้ พุทธเจ้าสอนเราพ่อแม่มีบุญคุณมากสมมุติว่ามีอายุร้อยปีแบกพ่อไปข้างซ้ายแบกแม่ไปข้างขวาบนบ่าแล้วนี่บำลุงบำเลอนวดบีบอาบน้ำประทินกลิ่นหอม ปล่อยให้ขี้เยี่ยวอยู่บนบาเรานี่แหละจนตายไปพระพุทธเจ้าบอกว่านั่นยังไม่ได้ชื่อว่าได้ทดแทนบุญคุณพ่อแม่เลยไม่ได้เรียกว่าทดแทนบุญคุณพ่อแม่การทำแบบนั้น กิริยาเดียวที่พระเจ้าถือว่าเป็นการทดแทนบุญคุณพ่อแม่คือสามารถนำพาพ่อแม่มาสู่ทางธรรมได้ไม่มีศีลก็ให้มีศีลไม่รู้จักให้ทานก็รู้จักให้ทานไม่รู้จักภาวนาจเจริญปัญญาก็รู้จักให้จเจริญปัญญาภาวนา เหล่านี้ถึงเรียกว่าทดแทนบุญคุณพ่อแม่ได้พวกเราเป็นคนดีอยากทดแทนบุญคุณพ่อแม่ทำให้มันถูกไม่ใช่ไปนั่งตามใจพ่อแม่ให้ความสุข หลอกพ่อแม่ไปวันๆว่าโลกนี้มีแต่ความสุขแบบนั้นเรียกอากตันอยู่ไม่ใช่การตันอยู่เพราะนั้นคนเป็นลูก ทุกคนต้องรู้หน้าที่ตัวเองต้องทำอะไรคนเป็นพ่อแม่ต้องรู้หน้าที่ตัวเองเหมือนกันพระพุทธเจ้าบอกว่าพ่อแม่นี่เป็นดั่งพระพรหมของลูก ว่าพระพรหมเป็นสั ญ, ญลักษณ์เฉยๆที่จะบอกว่ามีคุณธรรมอะไรบ้างพระพุทธเจ้าบอกคนที่จะเป็นพ่อแม่คนได้ต้องมีคุณธรรมสี่อย่างต่อลูกคือเมตตากาุณามูทิตาแล้วก็อุเบกขานี่คือคุณสมบัต ของคนเป็นพ่อแม่ถ้ามีไม่ครบไม่รู้จะเรียกได้หรือเปล่าแต่พระพุทธเจ้าบอกแบบนั้นว่าผมวิหารสคีคือคุณสมบัติของพ่อแม่ที่มีต่อลูกคืออะไรปรารถนาดีต่อลูกปรารถนาให้เขามีความสุขปรารถนาให้เขาพ้นทุกยินดีกับเขา ที่เห็นเขามีความสุขสุดท้ายคืออะไรอุเบกขาไม่ว่าลูกจะเป็นยังไงสิ่งที่ลูกทําอยู่เป็นอยู่ไม่ว่าพ่อแม่จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยสุดท้ายพ่อแม่รู้จักอุเบกขาคือปล่อยวาง ความปล่อยวางนั้นไม่ใช่ช่างแม่งความปล่อยวางนั้นอยู่บนพื้นฐานของความปรารถนาดีเหมือนเดิมนี่คือคุณสมบัติของพ่อแม่ที่พระเจ้าบัญญัติไว้จะเห็นว่าถ้าเราเป็นพ่อแม่ที่ถูกต้องเป็นลูกที่ถูกต้อง โลกนี้ไม่มีปัญหาเลยแต่ทุกวันนี้พ่อคนไม่ศึกษาว่าสมมุติแบบไหนควรจะมีคุณธรรมแบบไหนคุณสมบัติข้อสุดท้ายอุเบกขานี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากสําคัญยังไงพระพุทธเจ้าสอนเรานี่ไม่ได้สอนแค่เรื่องของในโลกสอนพ่อแม่นี่สอนว่าสุดท้ายต้องอุเบกขาหมายความว่าอะไร ไม่ว่าลูกจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือลูกจะเป็นโจรก็ตามทั้งสองสถานะพ่อแม่ต้องปล่อยวางยอมรับสุดท้ายกลับมาอยู่กับตัวเองอยู่กับสภาพที่อุเบกขาคือสภาพไหนสภาพที่จิตใจนี้เป็นปกติอยู่พระเจ้าสอนพ่อแม่คนให้ใช้ชีวิต รู้จักใช้ชีวิตตามสมมุติแล้วก็สุดท้ายนีไม่พ้นกำลังชี้ทางให้เห็นว่าต้องปฏิบัติธรรมด้วยก็คือกลับสู่จิตใจที่เป็นอุเบกขาก็คือปกติอยู่ความเป็นกลางนี่เรียกว่าอุเบกขาความเป็นกลางต่อสิ่งทั้งหลาย ที่มากระทบเป็นสภาพสภาวะสำคัญคนคนหนึ่งจะบรรลุธรรมได้ในยาณสิบหกมีภาษาบาลีเขาเรียกว่าสังขารู้เบขาญาณแปลเป็นไทยก็คือว่ามีความเป็นกลางต่อสังขารหรือความปรุงแต่งทั้งปวงที่เกิดขึ้นภายในใจนี้ ทางขาลุเบขาญาหรือความเป็นกลางนี้เป็นประตูสำคัญสู่การบรรลุธรรมพระพุทธเจ้าชี้ทางให้กับทุกคนเราแค่ไม่ยอมศึกษาไม่เคยมีใครบอกเราเราไม่หัดสังเกตเราเลยเอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้ เราคิดว่าธรรมะเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องเอาไว้ก่อนเป็นเรื่องที่เรายัางทำไม่ได้หรอกเรากิเลสเยอะเราคิดผิดหมดเลยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากใกล้ใกล้จนมองไม่เห็นเลยความคิดนั่นเองปิดบังเรา หลอกเราว่าเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องทําไม่ได้เป็นเรื่องยังไม่ถึงเวลาอย่าให้ความคิดอวิชชาแบบนั้นหลอกเราว่าเราต้องตายแล้วแล้วต้องเกิดใหม่แล้วก็ต้องตายอีกแล้วต้องเกิดใหม่อีกแล้วไม่รู้ด้วยเราจะเจอธรรมะหรือเปล่า ในการเกิดใหม่นั้นแล้วไม่รู้จะได้เกิดเป็นคนหรือเปล่าด้วยจิตใจที่ปกติอยู่บ้างนี้สามารถดำลงให้เรามีชีวิตยอยู่ไปวันๆได้อย่างไม่เป็นบ้าแต่ถ้าเราจะมีโอกาสเกิดเป็นคนได้นี่ไปสังเกตกันทุกวันมีความเป็นปกติของจิตใจกี่เปอร์เซ็นต์ ถ้ามันแทบจะหาไม่ได้เลยเนี่ยทำนายตัวเองเลยลงนลรกแน่ไม่ก็ไปต่ำกว่ามนุษย์แน่ไปเป็นไส้เดือนหิ่งคือหมาเดรฉานสัมภเวสีล่อง้อยไปชีวิตทุกคนเราอยู่ภายใต้กรรม แต่เราเลือกชีวิตของเราเองได้เราแค่ต้องหนักแน่นกับทางที่เราจะเลือกคือความพน้นทุกโดยสิ้นเชิง พวกนี้เรามีวิธีเหมือนว่ า, วาเราพิจนารณาเองได้ไหมว่าเราควรจะเสียสละอะไรเพื่อให้มันเข้มข้นขึ้น <c oughs> อะไรเงี้ยได้เหมือนกับว่าบางคนก็พร้อมแล้วอันนี้พร้อมที่จะต้องออกจากงานแล้ว ต, ติดนู่นติดนี่ยังต้องเงินน้อยไปขอหาเงินอีกแป๊บหนึง่งอะไรเงี้ยแบบว่าคือเราเราอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องออกเรื่อง สมควรจะออกจากงานทำไมต้องออกจากงานคือโอเคจะอธิบายยาวหน่อยนักปฏิบัติเราเนี่ยต้องเข้าใจว่าเราปฏิบัติถูกแล้วปฏิบัติดีแล้วรู้วิธีแล้วอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งเฉยๆแต่อีกปัจจัยนึงคือเราต้องไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลให้กับความเป็นพุทธะ หรือพลังทั้งหลายเนี่ยมันหลอมรวมหล่อหลอมจนมันสามารถที่จะพุ่งแหวกทำลายอาสวะกิเลสได้มันต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมแบบนั้นด้วยผมยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าบอกว่าปฏิบัติธรรมนเหมือนชาวนาปลูกข้าวชาวนานี่ก็มีหน้าที่หว่านมเมล็ดพันธุ์แล้วก็เอาน้ำเข้าในนาขังมันเอาไว้ เกิดฝนตกเยอะน้ําเยอะไปต้องเอาน้ําออกเหล่านี้คืออะไรเหล่านี้คือการสร้างสิงส่งแวดล้อมให้ข้าวนี้มันโตได้ด้วยตัวมันเองชาวนาไม่ได้ไปทําอะไรข้าวชาวนาสร้างสิงส่งแวดล้อมให้เหมาะสมแล้วข้าวนี้มันจะออกรวงเองทีนี้สิ่งสําคัญมากที่ เราไม่ได้นึกถึงกันเลยว่าเราต้องมีดินมเมล็ดข้าวต้องอยู่ในดินมันถึงจะโตได้สมมุติว่าให้มเมล็ดข้าวชาวนาไปแล้วก็ อ, อ๋อไปปลูกในกรุงเทพไปพื้นคอนกรีตนี่แหละมันคงปลูกถึงทั้งปีทั้งชาติก็มไม่ขึ้นสัทีนึงเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมันไม่มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม แม้ว่าชาวนาจะรู้วิธีโอ้หว่านมาเมล็ดครับตุ้มเอาน้ำเข้าเอาน้ำออกมันไม่ขึ้นก็มันไม่มีดินเหมือนกันเราปฏิบัติธรรมเรารู้วิธีปฏิบัติทั้งหมดแล้วเราต้องมีดินด้วยดินคือสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลที่จะให้มเมล็ดข้าวนี้ เติบโตออกหลวงได้สิ่งแวดล้อมแบบนั้นเป็นสิ่งแวดล้อมแบบไหนวิเวกสันโดษเพื่อที่จะได้มีโอกาสเรียนรู้กายกับใจนี้อย่างละเอียดลึกซึ้งอย่างแท้จริงเรียนรู้ว่ามันเป็นยังไงมันเป็นทุกข์ถ้าเราไม่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่วิเวกสันโดษตัดขาดออกจากโลกเราไม่เห็นเลยเราเหมือนจะเห็นนะอุ้ยทุก มีชีวิตก็ทุกข์เหลือเกินไปทำงานก็ทุกข์ลองไม่ทำเดี๋ยวทุกข์ไว้โคตรเบื่อเลยการไปทำงานเนี่ยมันเหมือนทุกข์นะเราทุกคนทุกข์อยู่ในโลกทุกข์ไม่ใช่ทุกข์ที่พระเจ้ากําลังสอนอันนี้เป็นทุกข์แบบเบสิกมากแต่พระเจ้ากำลังบอกให้เราวิเวกสันโดษเพื่อที่จะกลับมาเรียนรู้ว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์จิตใจนี้เป็นทุกข์ด้วยตัวมันเอง แต่ไอที่เราบอกทุกทุกในโลกนี่คือว่าเราทุกคือกูนี่แหละทุกแต่เราไม่ได้เรียนรู้ว่าจิตใจเนี้แท้จริงมันเป็นทุกข์ด้วยตัวมันเองถ้าเราเรียนรู้ไม่ได้ว่าจิตใจนี้ร่างกายนี้เป็นทุกข์ด้วยตัวมันเองเราจะปล่อยวางมันไม่ได้แล้ถ้าเราจับมันเอาไว้ตลอดชีวิตเราก็ทุกข์ทั้งชีวิตนั่นแหละ เราเลยต้องมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อที่จะให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงลงไปในกายในใจนี้ว่าความจริงมันเป็นอะไรกันแน่มันมีเราจริงๆไหมเราอยู่ตรงไหนอะไรกันแน่เป็นเราสมมติจะให้แต่ละคนเนี่ยลองนึกว่าบอกซิว่าเราเป็นคนแบบไหนบอกได้ไหมโอ้พูดยากเลย ก็งกเหมือนกันนะแต่ว่าก็แต่ก็ทำบุญนะอะไรก็ไม่ได้งกมา ก, อ, กมอันนี้ยใช่อหมเราเป็นคนเฮ้ยเราไม่ค่อยกลัวอะไรหรอกแต่เราก็ก็กลัวตกแก๊เหมือนกันเจอเราก็กรีดสบวายตายสลบเหมือนกันอะไรเงี้ยคือมันเป็นอย่างนะ้ย้อนแย้งตลอดใช่ไหมเราจะไอเดนติฟายตัวเองไม่ได้เลยว่าเราตกลงกูเป็นใครกันแนะ่วะกูเป็นคนแบบไหนกันแนะ่ น, นี่คิดไม่ออกเลย เนี่ยเราจะได้เรียนรู้ว่าเราจะหากูอยู่ตรงไหนอะไรแสดงความเป็นกูมันไม่มีจริงๆแล้วมันไม่มีเพราะมันไม่มีตัวความจริงคือมไม่มีเราเราเลยหาคําตอบไม่ได้ไปคิดจนตายก็หาไม่ได้วเวลาเป็นคนแบบไหนเพราะมันไม่มีสิ่งที่มีเหมือนก็นบหมดคือกิเลส ที่เราจะเห็นนะั่นคือกิเลสวันหนึ่งเราเรียนรู้ไปเรียนรู้ไปเราเรียนรู้จนมันหมดกิเลสทำไให้หมดได้ก็ไม่มีเราแล้วไม่มีเราไปลองรับกิเลสแบบนั้นการจะเรียนรู้อะไรให้มันลึกซึ้งขนาดเนี้ยมันต้องอาศัยอะไรการอยู่กับตัวเองอย่างต่อเนื่องไม่ใช่มาเข้าคอร์ส เดวันกลับบ้านบ้าเหมือนเดิมมาฟังทำวันหนึ่งกลับบ้านบ้าเหมือนเดิมแล้ไม่ได้เรียนรู้ตัวเองพพุทธเจ้าสอนเราเรื่องของศา ส, สนาพุทธนี่คืออะไรคือการเรียนรู้แล้วก็เข้าใจมันในที่สุดไม่ใช่การเชื่อมีหน้าที่เรียนรู้อย่างที่มันเป็น เข้าใจอย่างที่มันเป็นไม่ใช่การนั่งเชื่ออะไรเป็นการประจักษ์แจ้งด้วยตัวเองการเข้าไปเห็นความจริงด้วยตัวเองแล้วก็พ้นทุกข์ด้วยตัวเองน่นแหละเพราะนั้น นี่คือสาเหตุสำคัญที่ทำไมใครมาถามผมก็ต้องลาออกหมดมันดูภายนอกมันเป็นนโยบายนะแต่ความสำคัญคือแบบนี้คือความวิเวกสันโดษที่ผมบอกความที่เราต้องทิ้งสิ่งที่ไม่จาเป็นความที่เราต้องหัดเสียสละเพื่อจะเป็นบารมีในการเรียนรู้ตัวเองนี้ได้อย่างเข้มแข็งมาก แต่นโยบายก็คืออะไรลาออเพราะคนเราทุกคนในนี้ก็บ้าทํางานอย่างเดียวจะช่วยคนนู้นอยากต้องช่วยคนนี้ก่อนต้องช่วยเขาก่อนช่วยตัวเองไม่ยอมช่วยจะช่วยเขาก่อนช่วยตัวเองก่อนช่วยตัวเองได้แล้วต้องช่วยคนอื่นได้มัอนเราขึ้นเครื่องบินใช่ไหม เขาจะบอกอะไรถ้าไอ้หน้ากากตกลงมาใส่ให้ตัวเองก่อนถ้ามีลูกก็ต้องใส่ให้ตัวเองก่อนแล้วค่อยใส่ให้ลูกจะรักลูกแค่ไหนก็ต้องใส่ให้ตัวเองก่อนทำไมเพราะเราช่วยตัวเองได้แล้วเราจะรู้ว่ า, าจะช่วยเขายัางไงนี่เป็นหลักง่ายๆปัญหาให้เข้าใจแบบนี้เข้าใจว่าสิ่งแวดล้อม ที่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติสำคัญไม่แพ้การที่เรารู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องความเสียสละที่ผมพูดวันนี้เป็นกำลังสำคัญที่เราต้องเข้าใจเราต้องการเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงที่จะถิบเราให้ออกไปจากโลกนี้หลุดพ้นโลกไปเราต้องอาศัยเชื้อเพลิงคือความเสียสละ เสียสละง่ายๆในชีวิตประจำวันเราก็เสียสละได้เช่นยังไงเราต้องตื่นเป็นเวลาทุกวันเนี่ยเรียกว่าเสียสละเหมือนกันถูกไหมเราต้องเดินจงกรมเป็นเวลาทุกวันเนี่ยต้องเสียสละใช่ไหมที่เราจะไปทําอย่างอื่นแล้วก็อุ้ยได้ใต้เวลาแล้วต้องเสียสละสิ่งนั้นเพื่อจะมาทําสิ่งนี้ก่อนเนี่ยอย่างเงี้ยเลยบอกว่าระเบียบวินัยสําคัญเพราะอะไรเพราะระเบียบวินัยเนี่ยมันสร้างให้เรารู้จักความเสียสละมันสร้างพลังให้เราในที่สุด เห็นไหมทุกอย่างที่ผมบอกให้ทาเนี่ยเบื้องหลังมันคืออะไรความเสียสละล้วความเสียสละนั้นเป็นพลังเราเสียสละการตามใจกิเลสตัวเองนี่เป็นพลังเริ่มเราต้องเสียสละก่อนมันอาจจะดูตึงไปหน่อ ย, อยนึงแต่พอเราวันหนึ่งเรามีปัญญายาณแล้วเราจะรู้จักความพอดีเราก็จะรู้ว่าตรงไหนที่มันพอดี ให้มีปัญญาก่อนเย่าเพิ่งเชื่อความคิดตวัวเองคุณสมบัติสําคัญของนักปฏิบัติอีกข้อหนอึ่งคือว่าอย่าเชื่อความคิดตวัวเองเราต้องอยู่กับคนที่มีปัญญามากกว่าเราเราถึงจะรู้ว่าชีวิตเราควรจะไปทางไหนควรจะทําอะไรเราต้องอยู่คนที่เก่งกว่าเราพู ด, ดง่ายๆเหมือนกับสมัยก่อนผมชอบเล่นมาร์คอส อยู่บ้านจะมีคนงานคนหนึ่งเนี่ยมันเล่นเก่งมากผมต้องเรียกมันมาเล่นกับผมทุกวันเมื่อก่อนผมกินได้แค่ต่อเดียวผมเล่นจนกินได้สามต่อเราเล่นกับคนงานอีกคนหนึ่งมันก็เล่นหวยมากเล่นกับมันชนะทุกทีหน้าเปือ่อเราต้องเล่นกับคนที่เก่งกว่าเราสุด ท, ท้ายเราก็เก่งเหมือนกันเพราะเราจะรู้ว่ามันคิดอะไรเราจะรู้ว่าโอ้ทําแบบนี้เออกโอ้มันวางแผนลูกหน้าตั้งขนาดนี้ เพื่จะมากินเราสามต่อนี่นโยบายข้อหนึ่งที่ผมยังไม่ได้บัญญัติเอาไว้อย่าอยู่กับคนที่โง่กว่าเราอยู่กับคนที่เก่งกว่าเราถ้าเราอยู่กับคนที่โง่กว่าเราแล้วเราก็มีพันธะกับเขาด้วยเราจะคล้ายๆเดี๋ยวกูจะโง่เดี๋ยวกูจะหลาเดี๋ยวกูจะโง่เดี๋ยวกูจะหลาการที่เราอยู่กับคนโง่กว่าเราแล้วพันธะความผูกพันนั้น จะดึงเราไว้ดึงให้เราโง่เหมือนกันนี่คือสาเหตุที่ทาไมถึงบอกว่าเราทุกคนต้องมีครูบาอาจารย์มันไปหาหลวงพ่อเราต้องมันไปอยู่กับคนที่เก่งกว่าเราเรียนรู้จากท่านเรียนรู้จากคนที่เก่งกว่าเราอยู่กับคนที่เก่งกว่าเราใช้ชีวิตอยู่กับเขาความหลอมรวมที่ผมพูด ธรรมชาติแห่งความหลอมรวมจะเกิดขึ้นเหมือนเราเล่นมาร์คอสกับคนที่เก่งกว่าเราทุกวันเราก็เก่งขึ้นเองนี่เป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นเห็นไหมทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างมันอยู่ที่เราเลือกเราไม่ยอมจำนนต่อกำลังมันอยู่ที่เราเลือกเราจะเลือกชีวิตเราชีวิตเราจะดีขึ้นอ๋อเราต้องทำแบบนี้เราทำชีวิตเราดีขึ้นต้องทำที่เราทำเด็ดขาดโฟกัสคอมมิชเมน เชียร์วิลเนี่ยต้องรู้จากธรรมชาติแบบนั้นอยู่กับคนที่ฉลาดกว่าเราเขาจะได้บอกเราว่าตรงไหนเราโง่พอเขาบอกเราได้เอาชี้เราได้เราเห็นได้เราจะไม่งงอเราจะไม่ทําแบบเดิมอีกพอเราไม่ทําแบบเดิมอีกมันก็ฉลาดขึ้นเองเป็นธรรมชาติเห็นไหมทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมด ผมแค่มีหน้าที่ put t the right man to the right place แค่นั้นผมแค่วางคนที่มันอยู่ถูกที่แล้วธรรมชาตินั้นมันจะหล่อหลอมคนคนนั้นเองมันจะบีบบังคับมันจะบีบคั้นคนๆนั้นเองให้มันพัฒนาขึ้นให้มันเติบโตขึ้นเหมือนหลวงพ่อเคยมีคนมาหาบอกว่าหลวงพ่อครับผมเนี่ยอาจารย์คนเก่าผมตายไปแล้วเป็นพระเหมือนกันตอนนี้เรายังไม่มีครูบาอาจารย์เลย ก็อยากจะมาขอหลวงพ่อเป็นเป็นครูบาอาจารย์หลวงพ่อก็ฟังฟังฟังแล้วก็คนนี้ก็นี่ไหลุงปู่ที่เป็นอาจารย์ผมเนี่ยแบบว่าท่านแบบว่าดูอนาคต ด, ดูนู่นดูนี่ดูบอกเราได้ว่าผิดทุกอะไรหลวงพ่อบอกอ๋อแบบนั้หลวงพ่อทําไม่ได้ถ้าแบบนั้นต้องไปหาคนอื่นหลวงพ่อก็บอกแค่ว่าหลวงพ่อทําหน้าที่แค่ ไปทางซ้ายหลวงพ่อจะตบมาทางขวามันไปทางขวาไปหลวงพ่อจะตบมาทางซ้ายให้แล้วมันจะอยู่ตรงกลางพอดีนี่ธรรมชาติคือแบบนั้นครูบาอาจารย์ก็บีหน้าที่แบบนั้นตบซ้ายตบขวาตบซ้ายตบขวาบางทีตบจนนุม่มมันยังไม่เข้าตรงกลางสักทีหนึ่งเราก็พิจารณาตัวเองอะไรก็ตามที่ เรากำลังรู้สึกว่าเข้มข้นได้มากกว่านี้เราต้องฝึกให้มันเข้มข้นมากกว่านี้ะระเบียบ ว, วินยัยสำคัญอย่าเพิ่งไปเที่ยวผมนี่ก็ผมพูดเล่นผมไม่ได้พูดเล่นอยู่กับตัวเอง เหมือนปั่นไฟปั่นให้มันติดก่อนการอยู่กับตัวเองอย่างเข้มข้นอย่างต่อเนื่องมันเป็นเรื่องที่ใช้ความอดทนเยอะความเสียสละเยอะถ้าตัวเราเองเนี่ยเห็นอนาคตได้นะปรากฏว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นโสดาบัานอยู่แล้วเนี่ยไปญี่ปุ่นจบเลยอันนี้เริ่มใหม่ เล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่อย่าประมาทถ้าเราอดทนได้ฝึกตัวเองก่อนวันที่ผมบอกว่าเราต้องอยู่ขึ้นวัดเส้าหลินไปฝึกตัวเองผ่านด่านสิบปดอลาหันก่อนค่อยลงมาในโลกเราจะลงมาได้อย่างภาคภูมิลงมาได้อย่างไม่กลัวโลกอีกแล้วโลกทำอะไรเราไม่ได้เพราะเรารู้จักทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมบาปบุญคุณโทษอะไรก็ตามที่เราเคยเชื่อ มันอยู่เหนือเราไม่ได้อีกแล้วคนไม่มีวินัยก็ให้มันมีวินัยคนที่ยังไม่รู้จักหน้าที่ของการเกิดมาต้องรู้จักหน้าที่ของการเกิดมาว่าเราเกิดมาเพื่อจะพ้นทุกข์ไม่ได้เกิดมาเพื่อจะจมอยู่ในทุกข์จมอยู่ในกรรมเราไม่ได้เกิดมาแบบนั้นเราไม่ต้องโง่แบบนั้นด้วย ความทุกข์ของแต่ละคนที่มีบอนดิ้งมีพันธะซึ่งกันและกันบางทีเราคิดว่าเราทำให้เขาทุกข์ไม่ดีเราจะลาออกจากงานเราจะไปปฏิบัติธรรมเราจะไปใช้ชีวิตไปสู่ความพ้นทุกข์เราก็กลัวว่าคนที่มีพันธะ กับเราเขาจะทุกข์เราบาปหรือเปล่าก็คิดไปอย่างนั้ น, นไม่บาปความทุกข์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยตัวเขาเองไม่ใช่เราทาทำไมเขาทุกข์เพราะเขามีมิจฉาทิฐิเขามีความเห็นผิดเขาเลยทุกข์ไม่ใช่เพราะเราทำถ้าตัวเขาเองไม่อยากทุกข์ ไปด้วยกันทั้งอันจะได้มีสัมมาทิฏฐิแล้วมันก็จะไม่ทุกข์มันจะพ้นทุกข์แต่ถ้าเรามัวแจะอุ้ยไปแล้วเขาทุกข์อุ้ยไปแล้วทําให้เขาทุกข์ก็อยู่กับมันต่อแล้วกันอะนะก็ทุกข์ทั้งคู่เช่านั้นเนี่ยคนโง่ก็คิดแบบนั้นเพราะฉะันเราต้องมองโลกให้กว้างฉลาดการใช้ชีวิตฉลาดที่จะเลือกทางเดินของชีวิต เข้าใจโลกให้มันลึกซึ้งเราจะเลือกทางที่ถูกต้องได้เราจะแน่วแน่เราจะมีพลังใจที่จะตัดสินใจหลวงพ่อเคยบอกผมวันที่ผมจะบวชบอกว่าหลวงพ่อมีหน้าที่ที่จะพาคนดีในโลกข้ามสะพาน ไปสู่คนที่มีปัญญาสภาา น, นี้ไม่ได้ลาดยอย่างมาต่อยไม่เรียบเท่าไหร่คลุกคละลำบากไม่สมูทและไม่มีวันสมูทเพราะคนในโลกที่เสียผลประโยชน์จากการที่เราไปทางจะพ้นโลกจะดึงเราไว้ จะฉุดเราเอาไว้จะด่าเราเอาไว้จะประนามเราทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเหตุผลที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราแย่มากเราเป็นคนแย่มากแต่เบื้องหลังคืออะไรคนที่ทำแบบนั้นคืออะไรเสียประโยชน์เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวไม่มีทั้งเมตตา ไม่มีทั้งกรูนาไม่มีทั้งมูทิตาไม่มีทั้งอุเบคาจะอยู่กับคนแบบนั้นทำไมนี่คิดให้ดีจะอยู่กับคนแบบนั้นทาไมคนที่ไม่มีคุณธรรมสักข้อเดียวคนที่ไม่มีคุณธรรมเป็นคนไม่ได้เป็นได้เป็ น, ปนก็คือเป็นสัตว์คนเหนือกว่าสัตว์เพราะมีคุณธรรม มีความยับยั้งชั่งใจมีความละาอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปไม่คิดเบียดเบียนใครเหล่านี้คุณธรรมของมนุษย์แต่เราแบบเบลอเราชอบคิดว่าเขาอยู่ด้วยกันมานานก็ก็ เ, เป็นคนดีเหมือนกันตอนจีบกันเคยป้อนข้าวให้ก็ดีเหมือนกันเคยหวานซึ้งเหมือนกัน เราเราเบลอเลอเราชอบเบเบล อ, บลอคิดไม่ออกว่าปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วจิตเปลี่ยนทุกขณะเมื่อกี้นี้เป็นคนมีเมตตาตอนนี้ก็เป็นคนบ้าอันนี้โกรธเป็นฟืนเป็นไฟคนละคนแล้วเพราะฉะนั้นเราจะแอคชั่นไปแอคชั่นกับคนนี้เราแอคชั่นกับจิตขณะนี้มันเป็นยังไง เราไม่ได้มองเป็นคนไม่ได้มองว่าเป็นสมมุตินี้เป็นครูเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนไม่ใช่เราเห็นเป็นจิตเฉยๆจิตขณะนี้เป็นอะไรเป็นสัตว์นรกเงี้ยคืออะไรมีแต่โทสะอย่างเงี้ยในขณะนั้นจะเรียกเป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนได้ไหมไม่ได้นี่เป็นสัตว์นรกอยู่ เพราะนั้นเราเราจะแอคชั่นกับสัตว์นรกยังไงนี้เป็นเราต้องรู้ในขณะนั้นไม่มีความเป็นคนอยู่แล้วเพราะนั้นมันเรียนรู้ปฏิบัติธรรมเรียนรู้เข้าไปให้ลึกซึ้งถึงจิตถึงใจเราจะไม่กลัวอะไรทั้งนั้นความเชื่อบุญบาบุญกุนโทษทั้งหลายเราจะรู้จักอะไรเป็นอะไร